หลวงพ่อตั้งแต่มามอบห้องประชุมยังไม่เคยมาอีกเลยอันนี้เป็นครั้งที่สองว่างั้นเถอะเห็นห้องประชุมแล้วก็เออหลวงพ่อไม่เสียดายเงินว่างั้นเถอะที่สร้างไปแล้วอมีประโยชน์อย่างมากต่อครูบาอาจารย์คณะผู้บริหารที่มาใช้ห้องประชุมแห่งนี้ตอต่อเนี้ไป หลวงพ่อจะนําสมาทานศินหลวงพ่อไปในสถานที่ต่างๆก่อนที่จะนําสมาทานศินหลวงพ่อจะพูดเกี่ยวกับศินให้เป็นที่เข้าใจกับผู้รับถ้าว่าผู้รับไม่เข้าใจเรื่องของศินไม่รู้เรื่องของศินไม่รู้จากคุณค่าของศินเมื่อรับไปแล้วก็ เป็นอัน ผ, นผ่านไปก็ไม่ได้สำนึกไม่ได้คิดไม่ได้ทำความเข้าใจเหมือนกับผ่านไปในอากาศและก็แ ล, แล้วไปเพราะนั้นหลวงพ่อไปในสถานที่ใดจึงแนะนำเรื่องศีลให้แก่สาธุชนญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาให้เข้าใจเรื่องศีลแต่เรื่องศีลถ้าจะว่าไปแล้วเป็นของง่ายๆเพราะมันมีอยู่ห้าข้อเท่านั้นเองที่จะพานำสมาทาน แต่ว่าความละเอียดอ่อนของศีล น, นั้นมันอยู่ส่วนลึกของหัวใจเพราะว่าความดีกับความชั่วนั้นมันอยู่ในใจดวงเดียวกันมันฝืนกันได้ยากเมื่อรู้ท้งรู้ว่าอันนี้คือความชั่วแต่ใจมันก็อยากจะทำความชั่วจุดนี้แหละเป็นจุดที่พวกเราควรจะทำความเข้าใจควรจะมีเบรกในจุดนั้นเพราะนั้นศีลและธรรมของพระพุทธเจ้า ที่หลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานนี้โดยมากเด็กรุ่นใหม่หรือว่าคนรุ่นใหม่อยากจะให้ครูบาอาจารย์ที่นั่งอยู่ทั้งหมดเนี่ยมีหน้าที่โดยตรงอยู่แล้วคือเป็นครูบาอาจารย์สอนลูกหลานพี่น้องประชาชนแต่ตามไม่จรงิงครูบาอาจารย์ที่นั่งอยู่ที่นี่หลวงพ่อก็มั่นใจว่าพวกท่านทั้งหลายเป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ตั้งใจ เป็นผู้พร้อมแล้วเรื่องศีลธรรมเพราะฉะนั้นจึงจะย้ําเข้าไปอีกว่าศีลห้าประการที่หลวงพ่อจะอธิบายให้ฟังเนี่ยให้ครูบาอาจารย์เข้าใจให้ชัดเจนเข้าไปอีกเพราะว่าทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์บอกว่าผู้ฟังธทำย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นบรรเทาความสงสัยเสียได้ ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะฟังจิตผู้ฟังได้รับความป่องใสอันนี้คล้ายๆว่าเมื่อได้ฟังแล้วขราวก่อนหรือครั้งก่อนกับได้ยินในสถานที่ต่างๆยังไม่ชัดถ้าหลวงพ่ออธิบายให้ฟังในครั้งนี้ก็คงจะชัดขึ้นมั่นใจขึ้นว่าเออศีลธรรมที่เราจำมันแล้วนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องเพราะนั้นสินห้าของพระพุทธเจ้าในยุคสมัยนี้ หลวงพ่อไปในสถานที่ต่างๆฟังจากลูกหลานโดยมากจะเป็นสินของคนแก่ด้วยสินที่ผู้ปลดระหว่างผู้ที่ทำการทำงานอยู่จะมามัวเมาต่่มเตี้ยมกับสินห้าอยู่อย่างนี้ได้เหรอฮะอันนี้โดยมากจะมีความคิดแปลกขึ้นมาเรื่อยๆในลักษณะอย่างนี้แต่ตามไม่จริงคนทุกคนควรจะมีสินห้าถ้าผู้รู้คล้ายๆกับ รู้เรื่องที่ว่าทําความดีความชั่วกระดุกกระดิกได้แล้วนะถ้ายุดเด็กเกิดใหม่ๆมันยังขาดลิ้นคาดยุงบี้มดไม่ได้อันนั้นก็ไม่จําเป็นแต่มันบี้มดขึ้นมาได้ทําความเข้าใจได้แล้วหลวงพ่อว่าจําเป็นทุกคนจะต้องรักษาศีลศีลคืออะไรศีลก็ ค, คือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเหมือนกับกฎหมายถ้าจะว่าไปศีลกับกฎหมายอันเดียวกัน กฎระเบียบอันเดียวกันกฎหมายอันเดียวกันศินอันเดียวกันเพียงแต่ตั้งชื่อคนละอย่างเท่านั้นเองแต่ความหมายนั่นก็คือเพื่อความสงบร่อนเย็นเป็นสุขต่อชุมชนและสังคมต่อโลกแต่ถ้าว่าคนไม่มีกฎหมายชุมชนไหนไม่มีกฎหมายประเทศชาติไหนไม่มีกฎหมายประเทศชาตินั้นก็เหมือนกับสัตว์ป่าที่อยู่ด้วยกันตัวไหนมีกําลังมากก็ลังแกสัตว์ตัวที่มีกําลังน้อยกว่าจึงไม่ได้มีกฎหมายคุ้มครองขึ้นมา ศีลธรรมก็เช่นเดียวกันถ้าว่าพวกเรามีศีลธรรมแล้วเราไปอยู่ในสถานที่ใดกลุ่มในนดคณะใดกลุ่มคนคณะนั้นก็มีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขแต่ถ้าว่าคนในชนนั้นขาดศีลธรรมขาดศีลห้ามากๆไม่มีศีลธรรมแล้วชนในกลุ่มนั้นพร้อมที่จะเกิดมิฆสัญญาฆ่าฟันกันเบียดเบียนกันได้ไง่ายๆเพราะฉะนั้นศีนลธรรมของพระเจ้าอย่ามองข้าม อย่างน้องพ่อจะเป็นผู้พานำกล่าวอันดับแรกก็คือนโมตัสสะความหมายก็คือว่านะโมตัสสะภาวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะข้าพเจ้าขอนอบน้อมเลยพระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นกล่าวสามครั้งเราลำเลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าเป็นต้นาศาสนาเป็นต้นพระพุทธศาสนาของพวกเรา เพราะนั้นเราจะนํำทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติพวกเราจะต้องนอบน้อมพระพุทธเจ้าก่อนอันนี้ก็คือกล่าวนัโมสมจบเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายไม่รู้ว่านัโมนั่นคืออะไรแต่ตามที่จริงแปลนัโมออกมาว่านัโมตัสสะปะคะวะตัวระหะตสัมมาสัมพุทธสะคพระเจ้าขอนอบน้อมเลยพระผู้มีพระภาคกระหัตต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคือความหมายความแปล จากนั้นพุทธทางทรมังสังคังสรารนังขจ า, ามีข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสวงฆ์ว่าเป็นสาระเป็นที่พึ่งพุทธทางคือพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระาศาสดาเป็นต้นพระพุทธศาสนาธรรมังคือพระธรรมคําคสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่สั้นได้ตัดสรุปธรรมแล้วได้บรรลุธรรมแล้วได้รู้แจ้งเห็นธรรมแล้วนำมาประกาศเผยแผ่ให้พวกเราเข้าเข้าใจสังคังคือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า ที่ไปรับการอบรมจากพระพุทธเจ้านับถือเรื่อมใสในพระพุทธเจ้าและนํำทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศมาเผยแผ่สืบทอดกันมาจนถึงพวกเราทุกวันนี้แต่ถ้าว่าไม่มีพระสงฆ์เป็นผู้สืบทอดมาพระธทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็หมดในยุคสมัยนั้นเพราะฉนั้นพุทธทางธรรมังสังขังสาระ น, านังขจฉามิพวกเราจึงยึดถือเป็นสาระนะเป็นที่พึ่ง ดูตียามปีพุทธทงทำมังสังขังยืนยันเป็นครั้งที่สองว่าข้าพเจ้าขอรับพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นสรณะเป็นที่พึง่งตาตียามปีพุทธทางธำมังสังขังยืนยันถึงสามครั้งพวกเราจะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นสาระเป็นที่พึง่งจากนั้นก็กล่าวเป็นองค์สิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิข้าพเจ้าจะงดเว้นในการฆ่าการฆ่า เราไปฆ่าเขาเราไม่มีความรู้สึกว่าเราไปฆ่าเขาเขามีความรู้สึกอย่างไรอันนี้ไม่มีใครรู้ว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรแต่เผื่อเขามาฆ่าเราฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพี่ฆ่าน้องฆ่าลูกฆ่าเมียของเราเรามีความรู้สึกอย่างไรอันนั้นแปลว่าเต็มหัวใจเรามีทุกข์มากเมื่อเขามาฆ่าเราในเมื่อเรามีวิธีที่จะสู้กับเขาได้เราก็ต้อง สู้อย่างเต็มที่แต่นี่เมื่อเราอ่อนร้อยกว่าเขาเขามีอํานาจเหนือกว่า เ, เรามีแต่ความทุกข์ใจเท่านั้นเองเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกอย่าฆ่ากันให้เคารพสิทธิ์กันดีไหมอันนี้แหละคือสิทธิ์ข้อที่หนึ่งสรุปแล้วก็คือใจเขาใจเราถ้าเราไปฆ่าเขาเขาก็ทุกข์ใจถ้าเมื่อเขามาฆ่าเราเราก็ทุกข์ใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิทข้อที่หนึ่งข้อที่สองอธินาทาน เออขโมยของคนอื่นเขาไปขโมยลูกขโมยเมียของเขาไปเรียกค่าไถ่ขโมยพ่อแม่ของเขาไปเรียกค่าไถ่เป็นยังไงถ้าเขามาขโมยพ่อแม่ลูกเมียของเราไปเรียกค่าไถ่เป็นยังไงเออขโมยรถขโมยสิ่งของของเราเป็นยังไงเราเสียใจไหมเราก็เสียใจถ้าทุกคนเคารพฉิดกันดีไหมนี่แหละสินข้อที่สองข้อที่สกาเมสุมิจฉาจาราว ร, รมณี สามีภรรยาลูกของใครเขาก็รับสังวนห่วงแหนของเขาถ้าเราไปล่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาล่วงล้ำเราละ่ะถ้าเป็นลูกของเราลูกสาวของเราละ่ะเราเสียใจไหมเราก็เสียใจถ้าเราคิดว่าเมื่อเราไปทําให้แก่เขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาทําให้แก่เราเราก็เสียใจเพราะฉะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันอย่าไปทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเ อ, อนี่คือสินข้อที่สาม ข้อที่สมุสาวาทาเวรมณีอย่าไปโกหกต้มตุลหลอกลวงเขาถ้าว่าเราไปต้มตุลหลอกลวงเขาเขาก็เสียใจเสียทรัพสมบัติเสียยศถาบรรดาศักดิ์เสียมากมายถ้าว่าเราไปต้มตุลหลอกลวงเขาเพราะนั้นถ้าเราไปทําอย่างนั้นเขาก็เสียใจเขาก็ทําให้ เ, เราเราก็เสียใจเช่นเดียวกันอันนี้คือศินข้อที่สข้อที่ห้าสุราเมรยะมัชฌะปะมาการดื่มสุราและเมลยัย เป็นที่ตั้งแห่งความประมาทสุราน่ก็คือเหล้าเมลยัยเมลัยนั่นคือเบียร์แต่ท่านพูดเป็นสอบต่อไปท่านก็นั่นแหละชายาวยฝิ่นก็จัดเข้าประเภทของหมืนเมาเหมือนกันพอทานเข้าไปเสพเข้าไปแล้วทำให้สมองของเราวิลิตผิดปั่นปวนเพราะนั้นสุราเมระยะ ไม่ใช่ของเล็กน้อยถ้าเราดื่มเข้าไปแล้วกินเหล้าเข้าไปแล้วทำให้เสียหายได้คนขาดสติสามารถที่จะทำความชั่วดีทุกอย่างฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าใครก็ได้ทั้งหมดเพราะมันขาดสติขโมยใครก็ได้เพราะมันขาดสติประพฤติผิดในการไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วหน้าด้านที่สุดเมื่อดื่มสุราเข้าไปแล้วเพราะนั้นสินข้อห้านี่นะ เป็นสินที่อันต ร, รายมากข้อหนึ่งไม่แพ้ข้ออื่นๆข้อที่สี่มูซาคนดื่มสลาเข้าไปแล้วโกหกหลอกลวงต้มตุนได้ง่ายที่สุดเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายรู้แล้วว่าศิลธรรมของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าต่อตัวของพวกเราต่อประเทศชาติต่อโลกเพราะนั้นพวกเราถึงจะรักษาศิลไม่ได้ข้าพเจ้าจะก็ต้องเคารพในศิลธรรม ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ ข, วข้าพุทเจ้าเห็นคุณค่าศีลธรรมนะเพราะนั้นตอนน่อไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำให้ศีลตนิสมาทานสิทธิ์ต่อไปนะโมตัสสะภควะโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะีมานิปัญจสิขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพกสัมปทาสีเลนานิพุติงยันติตัดสมาสีลังวิโสธาเยหลวงพ่อจะได้กล่าวัมโมนิยกถา เพื่อให้ศรัทธาญาติโยมครูบาอาจารย์ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาเขต4ได้รับฟังหลวงพ่อเนี่ยศรัทธาญาติโยมครูบาอาจารย์ทั้งหลายคงจะรู้จักแต่ว่าหลวงพ่ออินหลวงพ่ออินหลวงพ่ออินเป็นมาอย่างไงมาจากที่ไหนครูบาอาจารย์ก็คงจะไม่ได้ศึกษาหลวงพ่อเองก็ไม่ได้เข้ามาพบกับครูบาอาจารย์ เป็นส่วนมากเหมือนกันก็คงจะคงจะรู้ได้ก็คงจะไม่กี่ท่านที่ไปเกี่ยวข้องกับหลวงพ่อแต่ตาไม่จริงหลวงพ่อหน้าจะเล่าประวัติหลวงพ่อให้พวกเราได้ฟังสักพอสังเขปสักหน่อยก็เออเพื่อจะได้เป็นการศึกษานะเอา ร, ร, รับรู้รับทราบเอาไว้ว่าหลวงพ่ออินนี่เป็นมาอย่างไงทําไมจึงมาอยู่ที่วัดป่านาคําน้อยหลวงพ่ออินเป็นชาวจังหวัดมุกดาหาร เกิดที่ตีนเขาภูเจ้าก้อนะอันนี้คือชีว่าประวัติของหลวงพ่ออินนะเออเป็นลูกชาวนาตีนเขาภูเจ้าก้อจังหวัดมุกดาหารเมื่ออายุ11ปีจบป .4 ขึ้นมาอยู่ภูเจ้าก้อกับหลวงปู่ล่าปีนั้นอ่ะปี 2,500 หลวงปู่ล่าไปตั้งวัดภูดเจ้าก่อหลวงพ่อก็เป็นเด็กจบป .4 ขึ้นมาเอ่อก็ขึ้นไปอยู่กับหลวงปู่ล่า ด้วยกันมีอยู่พระหลวงตาอยู่สององค์หลวงพ่อก็เป็นเด่นน้อยเออขึ้นไปอยู่ภูเขานั้นพอขึ้นไปอยู่วันแรกก็รู้สึกว่าสนุกสนานเพราะเป็นวันพระญาติโยมขึ้นไปสงมากว่างั้นเถิดเออเป็นวันพระรักษาศีลพอวันเก้าข้าขึ้นมาทีนี้ไม่มีใครไปว่างั้นเถิด เ, เด็กชายอินอยู่กับหลวงตาสององค์เออกระโดดไปก้อนหินก้อนนั้นกระโดดไปก้อนหินก้อนนี้ว่างั้นเถิด ก็ยังพอไหวโอ้ตายเราจะอยู่ไหว้ลยนี่มันว้าวีแล้วงั้นเถ อ, อะเพราะไม่มีใครเป็นเพื่อนพอวันที่สองขึ้นมาอีกไม่มีใครขึ้นไปอีกนี่ต่หลวงตากลางวันอย่างนี้ท่านก็เข้าภาวนาของท่านเงียบในกุฏิของท่านแลท่านก็พักผ่อนวันท่านกบภาวนาของท่านแต่เด็กชายเอ็นนี่ไม่รู้จะอยู่ที่ไหนว่างั้นเถ อ, อะหาเพื่อนเล่นก็ไม่ได้กระโดดไปกระโดดมา พอถึงวันที่สามพอถึงตอนบ่ายท่านั้นร้องให้โห o เลยไงนันทีนี้เออพอเหตุอะไรก็คิดถึงบ้านเออพอตอนบ่ายหลวงปู่ล่าท่านทั้งก็มาเห็นอ้าวเออเ อ, อินร้องให้ทำไหมมะผมคิดถึงบ้านครับท่านอาจารย์ครับสมัยนะั้นหลวงปู่ล่าเพียง 11, สิบเอ็ดพรรษานะหลวงปู่ล่าบวชเมื่อหลวงพ่อเกิดพอดีปีแปดแปด แม่หลวงพ่อเกิดปีแปดดนะลูกหลานสัตยทายญาติโยมนะเอแก่ก็พวกเราทั้งหลายเพราะพวกเราทั้งหลายยังไม่กเกษียณเนี่ยแกก็พวกเราทั้งหลายเอีปีนี้หกสิบสี่ปีแล้วนะหลวงพ่ออินนะีไม่ใช่พ้าน้อยพนุมแล้วนะอา่าเทนี้ก็หลวงปู่ก็ปวดแปดแปดเหมือนกันหลวงพ่อก็เกิดปีแปดแปดหลวงพ่อสิบเอ็ดปีหลวงปู่ล่าก็สิบเอ็ดปีเหมือนกันท่านบวชมา ว่าท่านปีนั้นเป็นปี 2,500 หลวงพ่อก็ได้บวชเป็นสมัมมาณีปีนั้นแหละปี 2,500 ถ้าจะว่าไปแล้วหลวงพ่อเนี่ยเป็นเนนกลึงพุทธการนะเนน 2,500 ว่างั้นเถอจากนั้นมาเป็นสมัมมาณีอยู่8ปีอยู่กับหลวงปู่ล่าอันนี้พลอย่างรวบรัดเลเน่นนะิทนะเป็นเนนอยู่8ปีจากนั้นก็มาบวชเป็นพระปี08นับดูซิว่าปี08มาถึงปี51เนี่ย ชีวิตของหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระมาตั้งแต่ปี08ปถึงปี51เป็นกี่ปีสรุปแล้วก็คือ40กว่าปีแล้วก็เป็นสัมเนาอีก8ปี40กว่าปีบวก8ชีวิตของหลวงพ่อนี่ฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นเวลา50กว่าปีใช่หรือไม่นะห้าสิกว่าปีจากนั้นหลวงพ่อก็ได้ออกจากปู่เจ้าก็มาจำพรรษากับหลวงปู่จามที่เป็นหลวงอา ที่ห้วยทรายจังหวัดมุกดาหารจากนั้นก็ขึ้นไปจำพรรษาที่วัดหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดรอยแม่ฟางอาเภอพร้พาวจังหวัดเชียงใหม่จากนั้นได้กลับลรงมาจําพรรษาที่วัดมุกดาหารอีกครั้งหนึ่งจากนั้นก็ได้มาจําพรรษาอยู่ที่วัดป่าบัานตากองค์หลวงตาตั้งแต่ปี2512จนถึง2525 25. จึงได้มาจำพรรษาที่วัดป่านาคําน้อยกระทั่งบัดนั้น มาถึงบัตรนี้นี่แหละชีวิตของหลวงพ่อยินเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายฟังดูซิว่าชีวิตของหลวงพ่อฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาฝังไปเองพระพุทธศาสนาเป็นเวลา50กว่าปีมีความคิดเห็นอย่างไรนะแต่พวกเราท่านทั้งหลายเป็นครูบาอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรนะแต่วิชาของหลวงพ่อเนี่ย ที่ฝังไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นเวลา50กว่าปีมีความคิดเห็นอย่างไรหลวงพ่อก็คิดว่าหลวงพ่อศึกษาเหมือนกันไม่แพ้พวกเราท่านทั้งหลายเผลอๆจะเหนือกว่าพวกท่านทั้งหลายอีกต่างหากพวกท่านทั้งหลายเวลาเรียนหนังสือเนี่ยก็คงจะเรียนธรรมดาสอบธรรมดาแต่หลวงพ่อเนี่ยเข้าไปอยู่ป่านรงพงไพหลังเขาภูพนันแถวภูย่าอู่เนี่ยหลวงพ่อขึ้นไปหมดสมัยนั้น2 5งพันยังมีเห็น ลอยวัวป่าเออยังเป็นสัตว์ป่ายังมากจากนั้นก็ถนน้นทางแถบอำเภอนายูน้ำโสมนาคำน้อยบ้านเพิ่มทะลุไปถึงฝั่งลาวหลวงพ่อเคยเดินผู้ดงเสี่ยงเอาชีวิตเสี่ยงป่ารงพงไพ่มามากพอสมควรหลวงพ่อไปสแสวงหาเพื่ออะไรนะี่อันนี้จะเป็นชีวิตของหลวงพ่อที่ว่า ปฏิบัติตามแนวแถวของพระพุทธศาสนาตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าที่ท่านว่าดี่ยเที่ยวผู้ลงเดินผู้ลงไปอยู่ตามป่ารงพงไพ่นั้นหลวงพ่ออินโงขนาดนั้นเหนือทําไมจึงไม่รู้จักทําไมไม่รู้จั ก, ไมไมจกหาลูกหาเมียกับเขาทําไมบวชแต่เล็กแต่น้อยทําไมไปหาอยู่ในป่ารงพงไพ่อยู่ในป่ารงพงไพ่ถึงอย่างนี้ก็เถอะที่วัดป่านานคำน้อยเนี่ยสัตวสาลาสิงก็ยังมีต่างมากมายเนี่ย ทำไมหลวงพ่ออินจริงปล่อยให้กิ้นให้ยุงกัดอยู่ในป่าดงพงไพ่อย่างนั้นเออทำไมจึงไม่มาเที่ยวอยู่ในบ้านในเมืองสนุกสนานเพลิดเพลินเหาทําไมเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องกระตุ้นเตือนให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้คิดทั้งนั้นเอ่อทำไมหลวงพ่ออินจึงอยู่อย่างนั้นนีอันนี้หลวงพ่อจะแนะแนวรว่บอกกล่าวให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษานะได้ฟังได้ศึกษา อันดับแรกหลวงพ่อก็ได้กล่าวให้เป็นที่เข้าใจเป็นเบื้องต้นแล้วว่าศีลธรรมศีลห้าประการนั้นมีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรต่อชุมชนต่อสังคมต่อโลกแต่ถ้าว่าคนขาดศิลธรรมขาดศีลห้ามากๆโลกทั้งหลายเดือดร้อนวุ่นวายแน่นอนไม่ต้องสงสัยนี่อันนี้ก็คือหลวงพ่อได้กล่าวไปแล้วแต่วต่อไปนี้หลวงพ่อจะได้กล่าวสมมติยถาทางสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาอุรธานีเขต4คณะกรรมการที่จัดงานนิมนต์หลวงพ่อมานิมนต์ให้หลวงพ่อพูดเกี่ยวกับอามไบ ย, ยมุกมีผลกระทบต่อการบริหารการศึกษาอันนี้ก็คือคําถามที่ว่าอยากจะให้หลวงพ่อพูดในวันนี้แต่ตามไม่จริงหลวงพ่อเองก็เคยไปพูดที่มหาวิทยาลัยจังหวัดขอนแก่นที่มหาวิทยาลัย คณะแพทย์าศาสตร์นิมนต์หลวงพ่อไปพูดปี2049คือปีหนึ่งเขาจะนิมนต์พระปีหนึ่งครั้งหนึ่งในปีใหม่หลวงพ่อก็ได้ไปพูดปีนั้นเขาตั้งหัวข้อว่าเศรษฐกิจพอเพียงสมัยนั้นยุคนั้นกำลังฮือฮากันที่ในหลวงตรัสออกมาว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นคืออะไรแต่ตามไม่จริงต่างคนก็ต่างตีความหมายเป็นคนละทิศทางว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ก็คงจะให้ชาวบ้านชาวเมืองชาวบ้านทำไรทำนาเสร็จแล้วเอาข้าวเขายุ่งเข้ า, ข า, ข า, ขาสางเสร็จแล้วก็คงจะขุดบอ่อเลี้ยงปลาจากนั้นก็มีข้าวกินกับปลาในสระมากินเป็นวันๆไม่ต้องกระตือหรือล้นฮะอย่างนั้นใช่ไหมอันนี้ก็คือความคิดเห็นในคนยุคสมัยที่ในหลวงตรัดออกมาว่าเศรษฐกษิจพอเพียงแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อได้อธิบายในวันนั้นว่า เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ว่าจะถอยหลังเข้าครองให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้ในหลักของพุทธศาสนาเราพุตฐานะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยันอรักขาสัมปทาให้พร้อมถึงพร้อมด้วยการรักษาคือรักษาทรัพย์สมบัติรักษาหน้าที่การงานอารักขาสัมปทากัญญาณมิตรให้คบเพื่อนที่ดีงามซัมมาชีวิตเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบอันนี้เรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียง ให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้ถ้ามีแต่รู้จักหาอย่างเดียวไม่รู้จักเก็บคนนั้นก็ไม่รั่วเหมือนกับเราขยันตักน้ำใส่ตุ่มอย่างงั้นะเออขยันตักน้ำใส่ตุ่มแต่ตุ่มก้นรั่วมันก็ไม่เต็มมันก็ไม่มีน้ำขังเพราะมีแต่ความขยันแต่ไม่รู้จักเก็บเพราะนั้นรู้จักเก็บก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันและการรู้จักใช้การใช้บริหารในการจัดการในการใช้เงินของตนเอง อันนั้นก็กคือส่วนหน่นั้นหลวงพ่อได้พูดในปีนั้นนะเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อปีที่แล้วเมื่อปีนี้ปีห้าศูนเขาตั้งหัวข้อขึ้นว่าให้หลวงพ่อไปพูดว่ารางวัลของชีวิตรางวัลของชีวิตหลวงพ่อก็บอกว่ารางวัลของชีวิตไม่มีอะไรยิ่งกว่าศีลธรรม ถ้าหาว่าผู้ใดก็ตามขาดศีลห้าหรือว่าขาดศีลธรรมแล้วพวกนั้นไม่ให้รางวัลชีวิตกับตนเองแ <c oughs> ปลว่าให้แต่ความชั่วกับตนเองในเมื่อให้ความช่วกับตนเองและมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายไม่ต้องสงสัยเพราะนั้นคนที่จะให้รางวัลชีวิตกับตนเองนั้นคือต้องเป็นผู้ออมีศีลห้ามีศีลธรรมประจาตัวถ้าว่าพวกเรามีศีลธรรมประจำตัวแล้วนั่นหละความสงบพร้มเย็นเป็นสุข ก็จะเกิดขึ้นตลอดไปแต่ถ้าว่าเรามีแต่นาสิ่งที่มันไม่ดีประพฤตินอกสู่นอกทางนอกศีล น, นอกธรรมเข้ามาแล้วนั่นแหละทีนี่รางวัลชีวิตจะไม่มีกับคนคนนั้นอันนี้หลวงพ่อก็ได้พูดเมื่อปีนี้แล้วมาวันนี้จะได้พูดเกี่ยวกับอบายยมุขมีผลกระทบต่อการบริหารการศึกษาการศึกษาถ้าจะว่าไปแล้ว โลกทั้งโลกต้องได้รับการศึกษาในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้มองข้ามอย่างพระไตรปิฎกอย่างนี้การศึกษา เ, เป็นพื้นฐานที่จะได้รับความรู้ความฉลาดขึ้นมาได้ต้องได้รับการศึกษาถ้าว่าไ ม, ไม่ไม่มีการศึกษาแล้วพวกเราจะเฉลียวฉลาดขึ้นมาไม่ได้ พูดอย่างนั้นได้เพราะนั้นเรื่องการศึกษาเป็นสิ่งที่จาเป็นสาคัญอย่างยิ่งเพราะนั้นจึงว่าครูบาอาจารย์เป็นแบบฉบับเป็นต้นแบบของเด็กนักเรียนทั้งหลายแต่ถ้าว่าพวกครูบาอาจารย์ให้การศึกษาไม่ดีแต่ว่าตามไม่จริงในหลักของพุทธศาสนานะหลวงพ่อพูดให้ฟังว่าการให้ความรู้แก่เขานั้น ก็ยังเป็นรองการให้ความประพฤตินะถ้าสอนความประพฤติให้แก่เขาคือครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นตัวอย่างให้แก่เขาดูด้วยหลวงพ่อว่านตัวนั้นจะประเสริฐกว่านะทั้งสอนเขาด้วยทั้งทําตัวให้เขาเห็นด้วยอันนั้นจะประเสริฐกว่าแต่ถ้าว่าเรามีแต่สอนเขาอย่างเดียวแต่ตัวเองทําสิ่งที่ไม่ดีให้เขาเห็นหลวงพ่อว่าอันนั้น การสอนและว่าการกล่าวไปนั้นไม่ศั์สิทธิ์พูดอย่างนั้นได้คือมันไม่สัจสิทธิ์เพราะเหตุไรเพราะว่าตัวเองสอนอย่างหนึ่งและการกระทำตัวเองเป็นอย่างหนึ่งอันนี้ขอฝากไว้กับครูบาอาจารย์และท่านพอ่ออทุกทุกท่านด้วยครูบาอาจารย์ทุกทุกคนด้วยที่จะเป็นครูบาอาจารย์แนะนำลูกศิษย์ลูกหาลูกศิษย์ลูกหาของเรายังเป็นเด็กถ้าจะว่าไปแล้ว เด็กของเราจะเหมือนกับผ้าขาวผ้าขาวจะยังไม่ได้ย้อมสีอะไรมากมายแต่ถ้าว่าพวกเราเอาสิ่งไหนเข้าไปให้แก่เด็กของเราเด็กของเราก็จะได้รับการศึกษาที่ดีในเมื่อรับการศึกษาที่ดีแล้วประเทศชาติบ้านเมืองก็จะพลอยดีไปตามไปด้วยในหลักของคนโบราณเขายังพูดว่าอยากจะให้เด็กดี ทำดีให้เด็กดูอันนี้หลวงพ่อพิจารณาดูแล้วทูกต้องหลวงพ่อก็นำมาพูดดีว่าถ้าอยากอยากจะให้ลูกศิษย์ดีหลวงพ่อก็ต้องทําดีให้ลูกศิษย์ดูอะหลวงพ่อก็บูชาอย่างนั้นถ้าอยากจะให้ลูกศิษย์ดีลูกพ่อก็ต้องทําดีให้ลูกศิษย์ดูออันนี้ก็เหมือนกันถ้าอยากจะให้พวกเราครูบาอาจารย์อยากจะให้ลูกศิษย์ดีก็ต้องทําดีให้ลูกศิษย์ดูอย่าไปทําในสิ่งที่ไม่ดีให้ลูกศิษย์เขาได้เห็น แต่โดยมากครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่หลวงพ่อได้รับรู้รับทราบมาบางแห่งบางหนก็ทำอย่างที่ไม่ได้คิดไม่คาดไม่คิดว่ามันจะเป็นพิษเป็นภัยหรือว่าจะเป็นผลสืบเนื่องไปในต่อไปภายภาคหน้าอย่างทุกวันนี้นี่ยอย่างย้อนบัตรผู้แทนรัษดรเนี่ยคัดเลือกผู้แทนอย่างเนี้ยไปย้อนบัตรผู้แทนถ้างเงินไม่มากาไม่เป็น เงินไม่มากาไม่เป็นแต่ก่อนเราก็ได้ยินพูดอย่างนั้นแต่ทุกวันนี้คณะครูบาอาจารย์บางแห่งนะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เขตสีของเรานะแต่หลวงพ่อได้ยินได้ยินมาจากเขตอื่นพอจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาและจะจะให้จ้างครูบาอาจารย์ที่ลงกาบัตรให้ตนเองเออก็ว่าจ้างครูเออ หัวลยสามพันบางหัวลยสี่พันยี่งหนักนะหลวงพ่อนะเขาว่านะเะยิ่งหนักนะทุกวันนี้นะเหมือนกันหลวงพ่อเอ็นอยู่ในป่าหลวงพ่อก็จะตุ้งโยงอีกเหมือนกันมาโอ้ขนาดครูบาอาจารย์เป็นแม่ฉบับอย่างขนาดนี้แล้วยังไปจ้างครูบาอาจารย์ให้ย้อนบัตรให้ตัวเองขนาดนั้นเหรอทําไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นประเทศชาติบ้านเมืองของเราจะสงบร่มเย็นเป็นสุขได้อย่างไรถ้าว่าขนาดครูบาอาจารย์แล้วยังไป จ้างหมูพวกเพื่อนให้ย้อนบัตรให้ตัวเองแล้วคนที่ไปรับเงินจากผู้ที่ว่าจ้างนั้นทําไมจึงรับได้ลงคออันนี้เขาฝากไปนะหลวงพ่ออินอยู่ในป่าว่างั้นเถอะนี่นะหลวงพ่ออินอยู่ในป่าฝากไว้กับครูบายจานด้วยในสิ่งเหล่านี้นะเอ็ที่หลวงพ่อไม่ได้ยินได้ยินมาจากทางไก ล, ลว่างั้นเถอะไม่ใช่ที่นี่นะอันนี้หลวงพ่อพูดได้เลยพุ่งหลวงพ่อเป็นผู้มีศินนะพูดไม่ใช่ที่อําเภอของเราเนี่ยหรอกได้ยินมาจากทีมอื่นว่างั้นเถอะ แต่ลุงพ่อได้ยินลุงพ่อไม่สบายใจเพราะนั้นจึงมาพูดให้เขตสีของเราได้ฟังได้ศึกษาว่าการคอร์รัปชันการหย่อนบัตรอย่างนั้นมันไม่ถูกต้องมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีของลูกของหลานขนาดครูบาอาจารย์เป็นแม่แบบแม่ฉบับ เ, เป็นต้นแบบต้นฉบับอยู่แล้วทำไมจึงทำอย่างนั้นและต่อไปประเทศชาติจะมีคือมีแปรได้อย่างไรอันนี้ขอฝากไว้กับครูบาอาจารย์ทุกๆุท่านที่นั่งฟังอยู่ณนะที่นี่ คือธรรมะนี่หรือว่าคําสอนนี่จะไม่เข้าข้างนู้นไม่เข้าข้างนี้ทำอยู่ตรงไหนความถูกต้องอยู่ตรงไหนจะเดินไปจุดนั้นอันนี้คือธรรมนะจะไม่เข้าข้างนู้นจะไม่เกงอกเกงใจเออหลวงพ่อทําไมมาพูดในที่สาธารณะอย่างนี้ถ้าทําไมหลวงพ่อจึงพูดอย่างนี้ได้หลวงพ่ออยากจะพูดถ้ า, าไปพูดให้ต้นไม้ฟังต้นไม้มันก็ไม่รับรู้รับทราบแต่ที่มาพูดให้ครูบาอาจารย์เนี่ยแหละ ให้ได้ยินได้ฟังว่าหลวงพ่อพูดเนี่ถูกต้องไหมนะเอ๊อยากจะให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาและจะนำไปถ่ายทอดอย่างเด็กนักเรียนก็เหมือนกันเด็กนักเรียนจะเลือกหัวหน้าไม่มีอะไรแจกเขายังแจกทอฟฟี่ต่างหากนะเพื่อจะให้คนหมู่พวกเพื่อนย้อนบัตรให้แก่ตัวเองเพราะฉะนั้นครูบาอาจอารย์ก็ดีถ้าหางว่าเห็นอย่างนั้นคือมาแล้วน่าจะบอกกล่าวว่านักเรียนทําอย่างนั้นไม่ถูกนะ จะไปจ้างท็อปที่ให้แกคนอื่นใส่บัตรลงบัตรให้ตัวเองนะไม่ถูกนะถ้าใครทำก็ตามอย่างนั้นคือความผิดอันนี้ก็คือพวกครูบาอาจารย์จะต้องแนะนําสั่งสอนตั้งแต่พื้นฐานแก่นักเรียนจากนั้นก็ครูบาอาจารย์ก็เป็นตัวอย่างของนักเรียนอีกตรงพ่อว่าทุกคนอยู่ในกรอบของกฎหมายของบัานเมืองแล้ว ความสงบพร่อมเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในชุมชนและสังคมของพวกเราแต่ถ้าว่าพวกเรามองสิ่งเหล่านั้นเป็นของเล็กน้อยเป็นของที่ว่าไม่ได้อยู่ในความรู้สึกของตนเองแต่เห็นคนอื่นทำนั้นผิดแต่ตัวเองทำนั้นไม่เป็นไรอันนี้หลวงพ่อว่าต่อไปภายภาคหน้านานะบ้านเมืองเดือดร้อนเพราะเหตุใดเพราะว่าบ้านเมืองไม่อยู่ในกรอบของกฎหมายบ้านเมือง เพราะนั้นขอฝากไปกับพวกครูบาอาจารย์ทุกทุกท่านที่นั่งฟังอยู่นทีนี้นะแล้วก็พร้อมกันหลวงพ่อจะพูดเกี่ยวกับการเป็นอยู่การเป็นอยู่ก็คือถ้าสรุปไปลก็คือศีลการเป็นอยู่ก็คือศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยถ้าจะว่าตามหลักของหลักของพุทธศาสนาแล้วศีลสมาธิปัญญาศีลก็คือ การเป็นอยู่ไม่ให้พวกเราออกนอกลู่นอกทางให้อยู่ในกรอบคือวัตถินคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยอการเป็นอยู่ถ้าว่าพวกเราเป็นผู้มีสินการเป็นอยู่การคองชีพแต่ครูบาอาจารย์เมื่อกี้ในหลวงพ่อได้พบกับท่านผู้หนึ่งมาจากกรุงเทพทำงานราชการเป็นตำแหน่งใหญ่พอสมควรท่านบอกว่า ขาราชการส่วนอื่นที่ผมได้สัมผัสก็พอเป็นพอไปก็ไม่เห็นเดือดร้อนต้องเงินเดือนก็ไม่เกินกับครูบาอาจารย์เท่าไหร่แต่ทําไมครูบาอาจารย์จึงเป็นหนี้เป็นศีลพลุงพลังอันนี้น่าคิดทันว่านะ่ะอันนี้ก็คือหลวงพ่อได้ยินมานะที่มีการเรียกร้องกันหลวงพ่อได้ยินได้ท่านพูดขั้นพูดขึ้นมาแต่หลวงพ่อก็นํามาพิจารณาอีกหลายครั้งบอกว่าครูบาอาจารย์เนี่ย ถ้าจะว่าไปแล้วครูบาอาจารย์ก็โดยมากก็เกิดในชนบทที่อย่างหลวงพ่ออินเกิดแต่ไรางั้นเออเป็นลูกชาวนาเป็นส่วนมากและก็อยู่ในบ้านอยู่กับชาวนาอยู่กับพ่อกับแม่ทีนี้พออยู่กับชาวนาจากนั้นก็ไปเรียนหนังสือได้ปรรจุเป็นข้าราชการครูจากนั้นก็ได้มาอยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ในบ้านใต้บ้านตัวเองแต่ทีนี้ อยากจะทําต้นให้เหนือกว่าชาวบ้านนีจุดนี้แหละนะฟังไว้นะครูบาอาจารย์ทั้งหลายเอ่อคืออยากจะทําให้เหนือกว่าชาวบ้านแต่ตามไม่จริงเงินเดือนมันไม่เกินกับชาวบ้านเท่าไหร่มันไม่เกินกับชาวบ้านเท่าไหร่เพลิดเผลิชาวบ้านเขาอาจจะเหนือกว่าทุกวันนี้นะเพราะเขากรีดยางเนี่ยเออเขากรีดยางเขาอาจจะเหนือกว่าครูบาอาจารย์แต่ครูบาอาจารย์นี่ได้เงินเดือนเพียงเท่านี้แต่ท่นี้ครูบาอาจารย์ก็เลย อยากจะถีบตัวให้เหนือกว่าชาวบ้านแต่ตามไม่จริงความรู้ความฉลาดเหนือกว่าชาวบ้านอยู่แล้วตามไม่จริงครูบาอาจารย์น่าจะยึดหลักตรงนี้แหละที่ความรู้ความฉลาดเหนือกว่าชาวบ้านเพียงแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแต่สําหรับทรัพย์สมบัตินั้นที่จะไม่ให้เหนือกว่าชาวบ้านนั้นก็น่าจะให้พอๆกับกับชาวบ้านจะไม่เดือดร้อนแต่ทีนี้ครูบาอาจารย์อยากจะให้เหนือจากชาวบ้านมีรถปิกอัพ มีรถมอเตอร์ไซค์มีเครื่องคอมพิวเตอร์ของที่อันไหนที่พอจะซื้อได้ซื้อทั้งหมดได้ใช้หรือไม่ได้ใช้เอามาในบ้านเอามาไว้ก่อนเอามาทิ้งเอาไว้บางทีไม่ได้ใช้เลยซื้อมาไว้เฉยๆเสียเงินไปมากมายอันนี้สิ่งเหล่านี้หลวงพ่อว่าเพื่ออะไรเพื่อเสริมบารมีตัวเองให้เหนือกว่าฮะจุดนี้แหละคือทําให้ครูบาอาจารย์เป็นนีิสินพลุงพลัง การบริหารจัดการจุดนี้หลวงพ่อว่าน่าคิดนะอันนี้ฝากไปกับครูบาอาจารย์ทุกๆท่านถ้าหลวงพ่อพูดไปก็เหมือนหลวงพ่อจะพูดหนักพูดเข้าไปจี้เข้าไปถึงจุดจนเกินไปจนครูบาอาจารย์บางทนก็เออทําไมหลวงพ่ออินพูดถึงขนาดนั้นแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อพิจารณาดูแล้วนะหลวงพ่อพิจารณาอยู่ทุกวงการเพราะหลวงพ่อเป็นพระนเห็นอะไรมาได้ยินอะไรมามียังไงหลวงพ่อก็พูดตามที่ ได้รู้ได้เห็นแต่ถ้าผิดถูกยังไงก็ขอให้ครูบาอาจารย์พิจารณานะสรุปแล้วก็คือการไม่รู้จักในการใช้อเองเรามีเงินเดือนเท่าไหร่แต่ละวันถ้าคิดเป็นวันออกมาเป็นวันละเท่าไหร่ถ้าคิดเป็นเดือนออกมาเดือนละเท่าไหร่ไม่มีใครรู้ยิ่งกว่าตัวของเราเองถ้าหารออกมาแล้ววันหนึ่งเราเป็นมีเงินเท่าไหร่และค่าใช้จ่ายของเราเท่าไหร่ ค่าอาหารเท่าไหร่ค่าลูกโรงเรียนเท่าไหร่ค่าน้ํามันรถเท่าไหร่ค่าไฟฟ้าเท่าไหร่เราควรจะเก็บเอาเหลือเอาไว้ว่าเมื่อวันเก็บไข้ได้ป่วยเราควรจะมีเป็นส่วนหนึ่งถึงยังไงเราก็ต้องมีเก็บไว้ถ้าว่าครูบาอาจารย์หรือว่าท่านทุกท่านมีวิธีในในการใช้เงินหลวงพ่อว่าเศรษฐกิจพอเพียงแน่แต่ถ้าว่าพวกเรามีอะไรเก็บมากะรวมรวมกับใช้กระจุกไปเรื่อย อมีอะไรขวางหน้าก็ซื้อไปเรื่อยหลวงพ่อว่าเศรษฐกิจไม่เพียงพอแน่เดือดร้อนวุ่นวายแน่นอนเอจากนั้นก็พวกเราก็จะบอกว่าเงินไม่พอเงินไม่พอเงินไม่พอใช้แต่เราไม่ได้คิดว่าเราใช้เกินตัวเอจุดนี้เราเราใช้เงินเกินตัวเพราะฉะนั้นเราใช้เงินเกินตัวเงินจึงไม่พอใช้ทีนี้ท่านจะมาพิจารณาดูแล้วท่นีอการทํางานของพวกเราทีนี้ หลวงพ่อก็เคยพูดกับข้าราชการทุกหมู่ทุกเหล่าหลวงพ่อบอกว่าเราเคยคิดบ้างหรือเปล่าว่าเงินของเราไม่พอใช้เราได้ถามตัวของเราหรือเปล่าว่าเราทำงานขนาดนี้เงินเดือนของเราขนาดนี้ถ้าหากว่าเราเป็นเจ้าของเงินเราจะกล้าจ้างเราไหมถ้าเราเป็นเจ้าของเงินเราจะกล้าจ้างเราไหมเราทำงานขนาดนี้ อันนี้อยากจะให้ครูบาอาจารย์หรือว่าคณะส่วนราชการทุกหน่วยทุกเหล่าได้น้อมหรือว่า ด, ดูตัวเองไว้อยู่เสมอถ้าว่าพวกเราดูตัวเองไว้อย่างที่หลวงพ่อพูดนี่นะเออพวกเราจิตใจของเราจะไม่กระเพื่อมจะไม่ทุกข์มากจะไม่วุ่นวายเพราะเหตุไรเพราะว่าถ้าเป็นเงินของเราเรากล้าจ้างเราแสดงว่าเรางานทำงานเต็มที่แต่ถ้าว่าเรามีเงินขนาดนี้ จ้างเราเราไม่กล้าจ้างเราแสดงว่าเราย่อหย่อนแล้วในการทํางานของพวกเราเพราะนั้นขอฝากไว้กับครูบาอาจารย์หรือส่วนราชการทุกหน่วยทุกเราตลอดถึงหลวงพ่อด้วยหลวงพ่อก็เหมือนกันถ้าหลวงพ่อไปบินทบาทจากชาวบ้านชาวบ้านเขาใส่บาตรมาให้หลวงพ่อฉันหลวงพ่อก็ต้องมาถามตัวเองว่าเราได้พิจนารณาตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าเราคุ้มค่าข้าวเขาหรือเปล่าวันนี้ ในการเป็นอยู่ของเราก็พระไตรยเจ้าท่านบอกว่าภิกษุใดในศาสนาของเราตถาคตเมื่อไปบินเทาบาทจากชาวบ้านชาวบ้านเขาบริจาคทําบุญทําทานแล้วพอฉันอาหารของชาวบ้านแล้วให้นั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดารงสติเจ้าพ่อนากำหนดลมหายใจเข้าออกและให้พิจารณาความเกิดความเสื่อมของร่างกาย ให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพวกท่านเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพียงลัดมือเดียวก่อคุ้มค่าข้าวของเขาแล้วแต่ละวันเอออันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านท่านบอกนะ่ะแต่ถ้าว่าฉันข้าวชาว บ, บ้านแล้วมีตมาพูดเรื่องบ้านการบ้านการเมืองการอะไรตัวมิอะไ ร, ร, มะ ไ, รไม่ใช่เรื่องของพระอันนั้นแปลว่าการเป็นอยู่ไม่คุ้มค่าข้าว ข, ของเขาอันนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านก็บอก พระสงฆ์แต่สําหรับศรัทธาญาติโยมครูบาอาจารย์อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวก็อยากจะให้พวกเราน้อมจิตลําลึกถึงตัวเองว่าการทํางานของพวกเราเนี่ยคุ้มค่าเงินเดือนเขาหรือเปล่าเงินเดือนนั้มาจากไหนเงินเดือนของรัฐบาลรัฐบาลเก็บมาจากไหนเก็บมาจากที่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนคือใครรวมทั้งหลวงพ่อด้วยที่ได้เสียภาษีให้แก่ประเทศชาติบ้านเมือง หลวงพ่อได้เสียที่ไหนเหจะถามอีกหลวงพ่อไปเติมน้ํามันรถเนี่ยเขาเขาเขาเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเจ็ดทุกครั้งนะเออเออหลวงพ่อก็ได้ได้เสียเอจากนั้นหลวงพ่อก็ซื้อสิ่งซื้อของอะไรอะไรหลวงพ่อก็ได้เสียมูลค่าเพิ่มเจ็ดทุกครั้งเพราะฉะนั้นแสดงว่าหลวงพ่อก็ได้เสียภาษีเหมือนกันเพราะฉะนั้นภาษีเหล่านี้คือไปที่ไหนก็มาให้แกอ่ลงลำรงเรียนบ้างเถนนหนทางบ้าง สรุปแล้วก็คือเป็นเงินภาษีส่วนรวมนะเพราะฉะนั้นพวกเราใช้เงินภาษีส่วนรวมทุกคนนะ่ะพวกเราก็ควรจะเกรงใจนะเกรงใจผู้เขาให้เหมือนกันนะหลวงพ่อว่านะเอเพราะฉะนั้นพวกเราทุ ก, ท, กท่านผู้บาอาจารย์ทุกคนอให้โอปัญโกน้อมเขามาหาตัวเองและก็พร้อมกันหลวงพ่อจะพูดเรื่องอบายยมุขที่ีหนอับายยมุข มีผลกระทบต่อการบริหารการศึกษาอบายยมุก ค, คือเหตุเครื่องจิบหายเหตุเครื่องจิบหายมีหกอย่างในหลักของพุทธศาสนาพุทธเจ้าตรัสไว้ตั้งแต่สองพันกว่าปีท่านบอกว่าอบายยมุกมุกขะนี่คือมุกหนึ่งคือปากนะอบายยมุกจิบหายซึ่งหน้าซึ่งปากทําไมจึงว่าจิบหายซึ่งหน้าซึ่งปากเพราะว่าถ้าเราทายผิดใช่ไหมเออถ้าเราไปเล่นไฮโลอย่างนี้ใช่ไหม คู่ขี่เหาือนกันเถอะเออสองคำเหมือนกันเถอะคำว่ามันออกมันเปิดออกมามันเป็นเลขคู่เราพูดเลขคี่มันก็ผิดแล้วใช่ไหมมันกลิบหายอยู่ในปากตัวเองเหมือนกันเถอะเออถ้าว่าเอ้าพอมันปิดลงไปแล้วคนหนึ่งว่าคู่คนหนึงว่าขี้นี่ยเออ่ไอคนที่มันเขาเปิดออกมามันเป็นเลขขี่เออมันเป็นตัวขี่นะเออคนที่เป็นเลขคู่ที่ท้ายว่าคู่นั่ก็เสียแล้วเนี่ย อันนั้นแปลว่าจิบหายอยู่ซึ่งปากนี่อยู่ใกล้ๆแล้วไงไทายผิดเท่านั้นไปว่าเสียเงินเลยวันนั้นแต่อันนี้แปล ว, ว่าอบา ย, ย ม, มุกมุกขาดเสียหายซึ่งหน้าซึ่งปากเอออันนี้แปล ว, ว่าอบา ย, ย ม, มุกเหตุเครื่องจิบหายมีหกอย่างดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการเล่นเล่นการพ น, นันรบคนชั่วเป็นมิตรเกลียดค้านทำการงาน อันนี้แหละคือเหตุแห่งความจิบหายอบา ย, ยมุกถ้าว่าพวกเราดื่มสุรานะดื่มสุรามาทําการทํางานหรือเป็นครูยิ่งเป็นครูบาอาจารย์เท่ไหมก่อนที่จะไปสอนโรงเรียนไปดื่มสุราเข้าไปเนี่ยหลวงพ่อว่าเสียหายหมดเลยเพราะการดื่มสุราเนีดื่มสุราเที่ยวกลางคืนพอตกกลางค่ากลางคืนกินเหล้าเมาแล้วก็เที่ยวไปเรื่อย ขึ้นเดือนสูงลงเดือนต่ำเสียวค่าย่าคืนเนี่ยนะเออไปที่ไหนต่อที่ไหนไหนไม่พักไม่พอนยิ่งเป็นครูบาอาจารย์อันนี้ก็ยิ่งเสียหายเหมือนกันเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการเล่นเออคือเขาเล่นที่ไหนก็ไปดูที่นั่นอันนี้เที่ยวดูการเล่นจากนั้นก็เล่นการพานันเนเรื่องการพานันหนึ่งอย่างที่หลวงพ่อพูดนี่แหละเออทุกวันนี้เป็นยังไงว่าเรื่อง หว้บนดินหวยใต้ดินหลวงพ่อก็ไม่ได้ศึกษาเพราะหลวงพ่ออยู่ในฝ่าหลงพงภัยว่างั้นเถอะเออจากนั้นก็เรื่องเรื่องหุ้นเรื่องหินอีกเออแต่ใหม่ให่รู้สิว่าเรื่องหุ้นนี่รู้สิว่าฮิตกันเหลือเกินนะเออพอตวนใกล้จะเที่ยงนะ่ยครูบาอาจารย์กระโดดออกจากห้องเรียนสอนก็ยังไม่จบว่างั้นเถอะเออหลวงพ่อได้ยินว่าอย่างนั้นนะเออกระโดดออกจากห้องเพื่อจะไปซื้อหุ้นก่อนเที่ยงว่างั้นเถอะเนี่ยสิ่งเหล่านี้ว่าการพ น, นันเนี่ย ทำให้ครูบาอาจารย์บทสภาพทาง จ, จิตใจเหมือนกัน เ, เรียกว่าการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรคบคนชั่วเป็นมิตรนี่กว้างขวางถ้าว่าเราครบกับคนดื่มสุรานะเราก็เป็นนักเลงสุราถ้าเราครบกับหัวไม้ต้มตุนหลอกลวงเราก็จะเป็นคนต้มตุนหลอกลวงกับเขาเถ้าเราครบคนใดก็เป็นเช่นคนนั้นแหละ ในหลักของพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นการครบค้าสมาคมกับเพื่อนหญิงเพื่อนชายหรื อ, อ ก, การครบค้าสมาคมกับคู่คนก็เป็นส่วนหนึ่งอีกเหมือนกันว่าคบคนชั่วเป็นมิตรถ้าว่าคบคนขายยาบ้ายาม마คัญชา่ายาวฟินอะไรก็ตามอีกสักวันหนึ่งแล้วก็เป็นอย่างเขาเมื่อเพราะนั้นการครบค้าสมาคมก็ควรจะเลือกคบเหมือนกันคบคนชั่วเป็นมิตรเกลียดค้ า, า, านําก า, การงานการเกลียดค้านทาการงานอย่ชัดเจน เป็นครูบาอาจารย์ขี้เกียจในการสอนอแล้วเป็นยังไงมีผลกระทบไหมแน่นอนอวันนี้ฝนตกไม่ไปโรงเรียนวันนี้แดดออกมันร้อนไม่ไปโรงเรียนวันนี้หนาวเกิดไปไม่ไปโรงเรียนวันนี้กระหายไม่ไปโรงเรียนวันนี้มันหิวไม่ไปโรงเรียนแล้วเป็นยังไงมีแต่ผลเสียหายทั้งหมด เพราะฉะนั้นพวกเราครูบาอาจารย์ทุกๆท่านนะสรุปแล้วก็คือให้หมันขยันเป็นอยู่ด้วยเหตุด้วยผลในการเป็นอยู่การของชีพของพวกเราเป็นอยู่ด้วยเหตุด้วยผลถ้าพวกเราทําได้อย่างนั้นแล้วความสงบพร่อมเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นกับตัวของพวกเราทุกๆท่านอบายมุกที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นี่มากมายดื่มน้าเมามีโทษยังไงยังไงเอหอหลวงพ่อไม่อธิบายยาวเพราะว่ามันเรื่องยาวแล้วเกิน เที่ยวกลางคืนอธิบายมีหกเที่ยวดูกันเล่นท่านก็อธิบายถึงหข้อเล่นการพนันก็เหมือนกันผู้แพ้ย่อมเสียทรัพย์ผู้ชนะย่อมกอเวรผู้แพ้ย่อมเสียรายทรัพย์ที่เสียไปทรัพย์ย่อมจิบหายเรานี้แหละที่พระพุทธเจ้าที่ท่านบอกเอาไว้ในการพนันนะเพราะนั้นพวกเราทุ ก, ท, กท่านศรัทธาญาติโยมครูบาอาจารย์ทุกคนนะที่ได้ฟังหลวงพ่อพูดวันนี้หลายรสหลายชาติว่ากันเถอะ หลายแนวความคิดลากหลายให้แก่พวกครูบาอาจารย์ได้ฟังได้ศึกษาเพราะหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระอยู่ในพระธศ า, าสนาจากนั้นหลวงพ่อจะพูดแนวความคิดเท่เนี่ยเรื่องศีลธรรมบัญญัตนี่ยตอนอันนั้นพี่หลวงหลวงพ่อพูดมาทั้งหมนั่นคือศีลคือศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยไม่ให้มีโทษเออคือรักษากายวาจาสิ่งไหนที่มันจะเป็นโทษให้รักษาแต่ทีนี้มาพูดถึงเรื่องแนวความคิดท่นี่ สมาธินี่สมาธิเป็นแนวทางด้านจิตใจในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดสู้ธรรมทําไมพระพุทธเจ้าจึงหนีออกบวชทําไมพระพุทธเจ้าจึงหนีออกบวชพราะพระพุทธเจ้าเป็นมหากษัตริย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่ในเวียงวงังมีความสุขพร้อมบริบูรณ์หมดทุกอย่างแต่นี้พระพองค์หนีออกไปบวชอยู่ในป่าโรงพงไพร นี้ออกกลางคืนอีกต่างหากเมื่ะนั้นในวันนั้นเมื่อ 2,500 กว่าปีพระพุทธเจ้าเป็นพระเจ้าเป็นดินอยู่กรุงกบินลพัฒน์ท่านเห็นอะไรท่านเห็นว่าเห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นความตายท่านบอกว่ามนุษย์จะมีความสุขได้อย่างไรในเมื่อเห็นเห็นคนแก่แล้วมันเป็นอย่างนี้เออผมหงอกฟันหลุดหนังเหี่ยวทุกคนจะต้องเป็นอย่างนี้ แล้วปู่ย่าตายายก็เป็นมาอย่างนี้แล้วจะมีความสุขได้อย่างไรอันนี้เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บทุกคนก็เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วจะมีความสุขได้อย่างไรจากนั้นก็เห็นคนตาย เ, เมื่อตายไปแล้วพ่อแม่ปู่ย่าตายายของพระองค์ก็หมดไปมีแต่ทิ้งแต่สมบัติเอาไว้เป็นทอดทอดมาอีกสักวันหนึ่งเราก็จะต้องทิ้งสมบัติอีกเหมือนกันและจะหาความสุขได้ที่ไหนในเมื่อความตายมาถึงอยู่อย่างนี้ อันนี้คือเป็นต้นเหตุแห่งศิลธรรมที่ท่านได้หนีออกไปบวชจากนั้นท่านก็นไปหนีออกไปอยู่ในป่าโด่งพงไผ่ไปค้นคว้าจะทั้งหกปีนะในวันเดือนเดือนหกเพนเนี่ยท่านได้นั่งสมาธินั่งสมาธิจิตของท่านให้เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งนะจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งเพราะพระองค์ได้รละลึกชาติผลหลังได้เกิดเป็นญาณทัตนะเกิด ญาณทัศนะเกิดขึ้นในขณะที่จิตสงบนะระลึกชาติผลหลังได้ปุกเพนิวาสานุจติยานรละลึกชาติผลหลังได้หลวงพ่อไปนสธรรที่ใดพูดนัาสะรานที่ใดหลวงพ่อจะเน้นย้ำจุดที่ว่าตายแล้วเกิดอีกแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะเหตุไรเพราะพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าอยู่ในปันเดือนหกเพนนนั้นเพราะพรองค์บอกว่าตายแล้วไม่สุขตายแล้วเกิดอีก ภพเบนวาสารุจติยานและลึกชาติผลหลังได้แต่พวกเราท่านทั้งหลายเชื่อได้ยังไงจะถามว่าหลวงพ่ออินเชื่อได้ยังไงว่าตายและไม่สูญเพราะพระเจ้าท่านบอกวิธีการวิธีการที่จะพิสูจน์ในเรื่องนี้เพราะพระเจ้าทำยังไงในท่านเมื่อท่านรู้ท่านนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทากายให้ตรง จากนั้นกำหนดลมหายใจเข้าออกจิตพระ อ, องค์เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งในเมื่อจิตสงบเป็นหนึ่งแล้วน้อมจิตลําลึกถึงอดีตชาติพราะพระองค์รู้ได้ว่าอดีตชาติที่เป็นมันมีมากมายยาวเหยียดทีเดียวเลยและอนาคตก็จะมีอีกพอถึงเที่ยงคืนพระ อ, องค์ได้ตัสรุธรรมจตูปปาตาญาณการจติของสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนสว่างพระองค์ได้ตัดสรุธรรมเ ด, ด, ด, ด, ดีด๋วาอาสาวัคคยาญาณ ยานอย่างรู้ว่าพระพุทธองค์ตัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกไปจากจิตใจจิตใจของพระองค์บริสุทธิ์แล้วอันนี้คื อ, อ, อในวันนั้นแต่นี่เรามาย้อนพูดหลวงพ่อจะมาย้อนพูดถึงปุเพนวาสานุจติยานถ้าพวกเราอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญนะพระพุทธเจ้าท่านกุมาห้ามท่านก็ไม่ได้สงวนลิขิตเอาไว้ท่านพร้อมที่จะเปิดให้พวกเราเข้าฟังเข้าศึกษาได้ ถ้าพวกเราอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดให้นั่งสมาธินี่หลวงพ่ออยู่ในป่าดงพงไพที่หลวงพ่อได้กล่าวว่าหลวงพ่อบวชมาแต่อายุสิบอดปีเป็นสมัมมาณีและจะเป็นพระทุกวั น, นอายุหกสิบสี่ปีฝากชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นเวลาห้าสิกว่าปีหลวงพ่อก็ศึกษาเรื่องนี้เหมือนกันค้นคว้าเหมือนกันไม่ใช่หลวงพ่ออยู่เฉยๆแต่ละวันทั้งเดินทั้งนั่งทั้งเดินทั้งนั่งเดินจงกรมเสร็จแลว้วก็มานั่งภาวนาะถ้าไม่มี แขกคนเข้ามาเกี่ยวข้องหลวงพ่อจะพยายามดูตรวจติตราจิตใจของตนเองอยู่ตลอดเวลาหลวงพ่อเชื่อมั่นเหลือเกินร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันมีกี่เปอร์เซ็นต์หลวงพ่อเชื่อทั้งหมดเพราะเหตุไรหลวงพ่อไม่ได้เชื่ออย่างอื่นหลวงพ่อนําพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติแล้วเห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ได้บอกว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกเพราะเหตุใดเมื่อจิตสงบเข้าไปเป็นหนึ่งแล้ว เราจะเห็นได้ว่าร่างกายนี่เป็นส่วนหนึ่งส่วนจิตใจนี่คือความรู้สึกนั้นเป็นอันหนึ่งถ้าเปรียบเทียบเราเหมือนกับรถกับคนขับรถอย่างนั้นหลวงพ่อพูดได้ชัดเจนอย่างนั้นคนขับรถกับรถไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันรถคือคือรถคนขับรถคือคือคนขับรถไม่ใช่อันเดียวกันเป็นคนละอย่างกันแต่รถนั้นจะต้องแตกตายสลายหมดอายุในเมื่อรถหมดอายุ วิญญาณคือใจตรงนั้นคือคนขับรถจะต้องออกจากรถไปไปหาซื้อรถคันใหม่ไปปฏิสนที่ไปเกิดใหม่อีกนี่แหละอันนี้พวกเราท่านทั้งหลายศรัทธาญาติยโยมทุกคนให้พิสูจน์อย่าไปหลับหูหลับตาว่าไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วมันไม่เกิดประโยชน์ถ้าไม่เชื่อไม่เชื่อเฉยๆในท่านที่เชื่อในท่านได้พิสูจน์มาแล้วท่านได้รู้มาแล้วอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาของพวกเรา ที่ท่านได้ศึกษาอยู่ในป่าองคพงไัยนั่งสมาธิเออเอาเป็นเอาตายท่านศึกษาเรื่องนี้แหละเรื่องจิตวิญญาณหรือเรื่องตัวนามธรรมเนนามธรรมเนี่ยคือใจเนี่ยนะใจเป็นใหญ่ไปใจเป็นหัวหน้าเ mm. พราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านไปค้นคว้าท่านจึงคูดเป็นภาพบาลีขึ้นมาว่ามาโนปุพังมโนปุพังขมาธรร ม, มามาโนเสรษฐามาโนมายา เรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจใจคืออะไรใจก็คือมโนคือใจใจคือมโนผู้รู้วิญญาณอันเดียวกันเพนแต่เพียงเรียกสับคนละสับเพราะนั้นเองตัวแท้แท้ก็คือความรู้สึกนั่นหละตัวที่รู้รู้นั่นละตัวนั้นหละเนี่ยตัวนั้นหละไม่ตายเพราะนั้น พ, พระพุทธเจ้าไปศึกษาค้นคว้าอยู่ในป่าทั้งหกปีไปศึกษาเรื่องของใจ แต่วิทยาศาสตร์ทุกวันนี้เขาค้นคว้าเขาศึกษาได้ถึงจะเป็นนักเป็นจิตแพทย์ก็ดีเครื่องมือแพทย์ก็ดีเครื่องมือในระดับไหนก็ตามที่เขาค้นคว้าศึกษาได้มาถึงแค่สมองนะมาถึงสมองสมองคือแนวความคิดและกัใจสรบแล้วคือสมองน่คือเป็นเครื่องใช้ของใจเขาไม่สามารถที่จะค้นคว้าลึกลงไปถึงใจ ถ้าไม่จริงใจเนี่ยเป็นผู้มาใช้สมองอีกทีหนึ่งสมองเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องใช้ของใจใจเป็นผู้มากดเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์เราเนี่ยนะถ้ามันตั้งขึ้นมาไว้เฉยๆมันก็ไม่ได้ทํางานอะไรแต่ถ้าพวกเราเดินเข้าไปแล้วไปเสียบปักไฟปั๊บไ ฟ, c, ไฟไมันจะขึ้นในจอเลยนะในจอแล้วก็กดเลยกดใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ก็ทํางานอันนี้ก็เหมือนกันไอคนที่มาใช้คอมพิวเตอร์นั่นคือใคร เออเป็นคนนะคอมพิวเตอร์นะี่คือเครื่องใช้ของคนอันนี้ก็เหมือนกันใจมันคือนอกเหนือจากสมองไปอีกสมองเป็นเครื่องใช้ของใจใจมาใช้สมองเพราะฉะนั้นอภิเษกเจ้าพระรหานสาวกทั้งหลายท่านสนใจคนที่มาใช้สมองในตัวนั้นแหะคือตัวนมามธรรมจุดนั้นแต่บางคนก็บอกเอาทำไมสมองมันจึงไม่เหมือนกันบางคนก็ฉลาดบางคนก็งโง่ อันนั้นท่านเปรียพบพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนที่โง่ในชาติที่แล้วเขาชอบในการเมินเมาชอบดื่มสุราชอบยาเสพติดเกิดมาพบนี้ชาตินี้เขาเป็นคนโง่แต่ถ้าว่าเขาเป็นคนฉลาดในอดีตชาติของเขาเขาได้ศึกษาเราไปเข้าไปหาบัณฑิตนักปราชญ์ยินดีในการศึกษาได้ยินดีในการค้นคว้า เกิดมาพบนี้ชาตินี้เขาเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้ฉลาดมาก็เถอะแต่พบนี้ชาตินี้มาติดมัมเออมาคล้องกับการดื่มสซดาของเมินเมาเกิดพบหน้าชาติหน้าเขาจะต้องโง่ไออันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้แล้วถ้าว่าใครก็ตามเกิดมาชาติที่แล้วอายุของเขาสั้นตายเร็วเพราะชาติที่แล้วเขาชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ใครอายุยืนยาว พอชาติที่แล้วเขาไม่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เ, ออเขาไม่ได้ฆ่าสัตว์เพราะนั้นชีวิตเขาจึงยืนยาวในชาตินี้แต่ใครก็ตามร่างกายทุกพลภาพเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยออคนนั้นในอดีตชาติของเขาเขาชอบลังแกสัตว์ชอบเบียดเบียนสัตว์เขาจึงออมีร่างกายทุกพ ล, ลภาพ อ, อ, อันนี้คือเป็นความเป็นมางในอดีตแต่ชาติของพระพุทธเจ้าทั้งหมด ที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้รู้ตัสัตยมบุพเพนวาสานุสติยานระลึกชาติผลหลังในความเป็นมาของสรรพสัตว์ทั้งหลายทุกวิญญาณเป็นมาอย่างไรถึงมาถึงอย่างนี้ถึงมาถึงจุดนี้ได้เพราะฉะนั้นพวกเราทุกทุกท่านเป็นพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทให้ศึกษานะให้ศึกษาให้ค้นคว้าให้ไตร่ตรองเหตุและผลและลงมือประพฤติธปฏิบัติด้วยผู้ลงมือประพฤติธปฏิบัติจะรู้ได้จะเห็นได้ด้วยตนเอง แต่ถ้าว่าพวกเราปฏิเสธเฉยๆไม่รู้นะไม่เห็นปฏิเสธก็เหมือนปฏิเสธเหมือนกับคนตาบอดเกิดมาแต่กําเนิดคนตาบอดเกิดมาแต่เกิดมาแล้วปฏิเสธเขาพูดอย่างหนึ่งก็เข้าใจไปอย่างหนึ่งพูดไปอย่างหนึ่งก็เข้าใจไปอย่างหนึ่งอหลวงพ่อเคยพูดให้ฟังนิทานตาบอดนะเนีนน้อยกับครูบา คูบาตาบอร์ดเหมือนกันนตะไปด้วยกันอพอไปใกล้หมู่บ้านที่เขาเจริญเหมือนกันะเน้ยน้อยกับครูบาอยู่บ้านนอกเลยไม่เคยกินนมกโอวันตินเลยเหมงอนกันแต่แต่เกิดมาเหมอนกันแต่ทีนี้ก็พาไปก็พอไปไปถึงใกล้หมู่บ้านบ้านเจริญเหมือนกันแต่เขาก็เลยชงนมกโอวันตินมาให้ดื่มตอนเช้า คูบาตาบอดมาแต่กำเนิดเนี่ยก็เลยดื่มน้ำนมเข้าไปทีนี่อันนี้เป็นอะไรวะทำไมมันอร่อยมากรักหนาเอนมโอวันตินว่างั้นไม่เคยดื่มมาก่อนมันทั้งหวานทั้งมันทั้งหอมอีกต่างหากว่างั้นก็เลยถามเนนน้อยเนนน้อยเนนน้อยอันนี้เป็นน้ำอะไรมาเนนน้อยบอกว่านมโอวันตินลงคูบาว่างั้นเอานมโอวันตินมันเป็นยังไงน้านมโอวันตินเป็นขาวๆนะน้าคูบา เขาขาวสวกมวกนันน่ะเขาขาวคุนุนเหมาอนกันน่ยทางคูบาเนี่ยเขาขาวคุนคุนมันเป็นยังไงเนียนน้อยคนตาบอดจะไปเห็นรู้ใหญ่ยังไงใช่ไหมเออยนน้อยก็บอกเขาขาวคุนคุนเหมือนกับนกยางนั่นน่ะคูบาเหมือนกับนกยางเขาขาวคุนคุนนั่นน่ะสีนกยางเนี่ยทางคูบานี่ก็บอกว่าเอี่นกยางมันเป็นยังไงเนนน้อยเนนน้อยก็ไม่รู้จะ อุปมาอุปไม่อย่างไงต่อก็เลยทํามือให้เป็นซกงกอย่างนี้เหมือนกันเถอะเออเนี่ยคูบาเป็นงั้นนกยางมันเป็นลักษณะนี้ตาบอดก็เลยคาไปคํามาโอ้นมโอวันตีนมันเป็นอย่างนี้เองนอเนาะเนีอยนี่แหละคนตาบอดมัน เ, เป็นอย่างนั้นอ่ะเออตาบอดธรรมะตาบอดเ อ, อทางโลกทางธรรมออมันคล้ายๆกันนั่นแหละเพราะนั้นต้องเชื่อคนตาดีไว้นะ่ะ เชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไว้ที่ท่านได้พิสูจน์มาแล้วอย่าไปคิดว่าตายแล้วสูญนะตายแล้วเกิดอีกแน่นอนนะเอออย่าไปทํากรรมที่ไม่ดีเอาไว้ถ้าทํากรรมไม่ดีเอาไว้กรรมนั้นจะตามสนองติดตามนะเออถ้าว่าใครทําดีทํากรรมเ อ, อันไหนเอาไว้นะเออมันจะตามตามคนคนนั้นไปทุกภพทุกชาตินะ่ะ อ, อ, อย่างหลวงพ่อได้อ่านได้ศึกษาในพระไตรปิฎกนะ ในพระไตรปิฎกนี่พระพุทธเจ้าปาลารบถึงพระองค์หนึ่งว่างั้นว่ะอ mm. พระเถระองค์หนึ่งมาบวชในพระพุทธศาสนาพอมาบวชได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าท่านก็ปฏิบัติพอปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ในเมื่อเป็นสําเร็จเป็นพระอรหันต์ท่านก็เลยนี่น่าจะเอาพ่อมาบวช ด, ด้วยพ่อแม่ตายแล้วจะนี่ท่านก็เลยเอาพ่อมาบวชพ่อเอาพ่อมาบวชเสร็จแล้วท่านก็เลย น้องชายตัวเล็กคงจะเป็นลูกของพ่ออีกละมัง้งคงจะเป็นลูกอีกเมียหนึ่งละมัง้งก็เลยเอาน้องชายมาบวช ด, ด้วยอีกทีนึ่พอมาบวชเราก็เลยพาไปทุดงในป่าพอไปพุดงในป่าที่นี่อพอกลับมาเด่นจะมากราบพระพุทธเจ้าทีนี้พอมาถึงใกล้วัดป่าเชตตะวันมหาวิหารผู้ลูกชายก็บอกว่าผู้ลูกชายที่เป็นพระอรหันต์นั้นทําบอกว่าอ ไอ้น้อยๆยไอ้น้องเนเนเนเนพาพ่อเดินตามหลังมาเรื่อยๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวครูบาจะเข้าไปจัดสถานที่พักก่อนเออเดี๋ยวเดินค่อยเดินไปน้ำกระช้าเนี่ยนะไม่หลงทางหล้วนะที่นี่นะให้เดินตามไปหลังไปนี้แนะเดี๋ยวครูบาจะไปจัดสถานที่ไว้ก่อนพี่ชายใหญ่ที่เป็นพระเนี่ยถ้าก็เดินออกไปอ้าวไปเพื่อไปจัดสถานที่ตอนรับพ่อกับเนนเหมือนันไปหาสถานที่พักไว้ก่อน แต่นี่ทางเนนน้อยก็บอกพ่อเดินเร็วพ่อเดินน่าเร็วพ่อเดินน่าเร็วผลนี่สุผู้พ่อจะโมโหให้เนนน้อยแต่นี่มันทําไมไปให้กูเดินเร็วนักหนาเออมันทําไมบังคับกูวะผู้พ่อเลยเดินย้อนหลังอีกเหมงอนนเด้อเออย้อนหลังกลับไปอีกไปตั้งต้นใหม่เหมงอนนเดอะพอไปถึงตั้งต้นไปกลับเดินมาอีกทาง พระที่เป็นไปจัดสถานที่คอยรับพ่อกับเนนน้อยนะเอ๊ะทําไมพ่อกับเนนทําไมนานมานักหนาน้าผอที่สุดก็เลยตามออกไปเหมือนนตามออกไปนู่นไปเห็นพ่อยังถอยหลังไปกลับมาเดินเข้ามาอีกเอ้าทำไมทําไมเอ่อจึงเดินช้าถึงขนาดนี้วะทําทไมไม่ถึงวะเอ่น้องชายตัวเล็กๆ เ, เลยบอกว่าโอ้ยหลวงพ่อโมโหหมน เออบอกให้เดินเร็วกับย้อนไปกลับเดินตั้งต้นใหม่ม้อีกเว่า น, นเออก็เลยมันก็เลยช้าครับลุงพี่ว่าง้นเนนน้อยบอกจากน้นลูกชายก็เลยเดินกลับมาถึงที่แล้วกันจัดที่พักคิดว่าจะเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าตอนเย็นเว่า น, นแต่เนี้พอถึงตอนเย็นมันมืดแท้เนี่ยมันเข้าไม่ได้เออพระพุทธเจ้าท่านก็เสด็จประทับพักไปแล้วพอรุ่งเช้าก็เลย ตื่นขึ้นมาก็เลยพาน้องชายกับพ่อเขาไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ถามว่าอา้าวมาเมื่อไหร่เนี่ยมาแต่เมื่อวานนี้ครับผมเอา้ามาเมื่อวานทําไมไม่เข้ามาหาเราเอา่อทำไมไม่มาบอกเราเอา่อทำไมไม่มาหาเราพระองค์นั้นก็บอกว่าก็เลยเล่าเรื่องเราให้ฟังพระพุทธเจ้าบอกว่านี่นะพ่อของท่านนี่นะหลวงตาองค์นี้เนะี่ยไม่ใช่จะพบนีชาตินี้เท่านั้นนั่งชาติที่แล้วก็เป็นอย่างนี้แหละ พระองค์นั้นก็เลยถามว่าเป็นยังไงพระเจ้าข่าวครับพระพทธองค์บอกว่าสมัยนั้นนะ่ะพราหม์อยู่คลองเรือนจากนั้นก็เลยผู้แม่ตายพอแม่ตายก็เลยออกไปบวชในป่าก็เลยเอาพ่อไปด้วยเอาน้องชายไปด้วยก็ไปบวชเป็นลือศีอยู่ในป่าพอไปบวชลือีอยู่ในป่าเสร็จแล้วก็เลยตกหน้าฝนมาก็ไม่มีอาหารอยู่กินแทบว่ามันไม่มีเกลือจะกินอยู่ในป่าแล้วไง ก็เลยชวนพ่อกับน้องชายเขามาอยู่ใกล้เมืองเหมือนกันพอมาเสร็จแล้วก็พอตกหน้าแรงผลไมา้รากไม้มันอารมสมบูรณ์ขึ้นมาแล้วก็กลับเข้าไปสู่ป่าอีกพอใกล้อาสมเสร็จแล้วก็เลยบอกให้น้องชายบอกว่ากอให้ตามหลังพ่อไปเด้อเดี๋ยวพี่นกพี่จะไปจัดสถานที่ล่วงหน้าไว้ก่อนไปแล้วก็จะได้พักเลยให้ค่อยค่อ ตามพ่อไปเนอะค่อยๆไปไม่ต้องรียบล็อกผู้พี่ก็เลยไปก่อนไอ้น้องชายเนี่ยก็บอกว่าพ่อเดินเร็วๆพ่อเดินเร็วๆ่างั้นไอ้ผู้พ่อี่ก็โมโหอย่างนั้นเออโมโหก็กลับถอยหลังกลับมามาดทั้งต้นใหม่เออแล้วก็เดินกลับไปอีกไอ้พูกลือสีที่เป็นลูกชายคนโตนั้นก็ได้ถือคบเพลิงออกมาอย่างนั้นเออกลัวพ่อจะหลงทางทําไมหายไปไหน ก็เลยมาถามน้องชายน้องชายก็พูดให้ฟังจากนั้นลูกชายคนโตก็เลยมาพูดกับพ่ อ, อพอน้องชายมีน้องชายคนเล็กไม่มีแหละก็นั่งอยู่สองต่อสองก็เลยบอกว่าพ่อเอ้ยตามไม่จริงเด็กนะต้องรู้จักเรื่องของเด็ก เ, เด็กเนี่ยถ้าหากว่าเราไปดุด่าว่ากล่าวเขามันแตกได้ง่ายนะเหมือนกับ จานกับเบื้องทํามันแตกแล้วเชื่อมกันได้ยากเพราะฉะนั้นพ่อต้องอดทนพ่อต้องอดทนกับเด็กถ้าว่าพ่ออดทนแล้วนั่นแหละจะเป็นผลดีในการอยู่ร่วมกันความสงบร่อมเย็นเป็นสุก็จะยืดยาวต่อไปภายภาคหน้าแต่พ่อถ้าว่าพ่อใช้แต่ความโมโหโทโสกกับลูกอย่างนี้กับเด็กอย่างนี้ไม่เป็นผลดีนะพ่อนะคุณพ่อนะ อันนี้คือลูกชายที่อยู่ท่านสอนทีนี้เรานํามาพิจารณาอีกอย่างครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันทีนี่อย่างครูบาอาจารย์ที่สอนลูกศิษย์คุกคลีกับพวกลูกศิษย์ก็เหมือนกันต้องมีความอดทนอย่างสูงอย่างที่ลือศีหนุ่มคนนั้นสอนพ่อเหมือนกันแต่ถ้าว่าพวกเราไม่มีความอดทนต่อลูกศิษย์ลูกหาลูกพ่อแันมันแตกกันได้ง่ายอีกเหมือนกันเพราะเด็กมันยังไม่รู้เรียนษาภาวะ ควรจะใช้ความอดทนอย่างมากที่จะสอนลูกสอนหลานส่วนนี้ก็ขอฝากไว้กับให้ลูกหลานม้องกันนิทานชาดกในครั้งนั้นถ้าจะว่าไปแล้วก็มีประโยชน์ต่อพวกเราท่านทั้งหลายเหมือนกันนะวันนี้หลวงพ่อได้พูดป ร, ร, ร, รับรบทำหรือว่าแนวความคิดแนวความพูดเกี่ยวกับสัมมอนิยังคาถาก็ยาวนานพอสมควร ต่อ น, นี้ไปก็หลวงพ่อก็จะหยุดการกล่าวส ม, มณนยกถาและ น, นที่นี่นะด้วยอํานาจคุณพระสีรัตนไตรพระพุทธจเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองพวกเราขอขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดที่อยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ข อ, ขอให้สำเร็จสมความมุ่งมาตนปราถนาทุกประการเทิด